หลวงตาไปวางศิลาฤกษ์วันนี้สร้างเจดีย์ที่เท่าแก่สมยัยจะสร้างถวายองค์หลวงตาที่จังหวัดพระเอกวางศิลาฤกษ์วันนี้วันที่หกพฤษภาห้าสูนและก็วันนี้สัทธาญาติโยมได้ส่งเจตุปัจจัยมาถวายที่วัดของเราเพื่อซื้อเต็นเต็นที่ล้อมรอบสาามที่ผ่านมาที่พวกเราเห็นเต็น์สีเขียว ต่างมีเจ้าภาพทั้งหมดนะ31หลังหลังละ 12,000 บาทรวมโอนจ่ายครั้งนี้เป็นเงิน 372,000 บาท 372,000 บาทเต็น31หลังแลนะก็พร้อมกันเจ้าคุณจันทร์พร้อมกับเนนคณะของท่านมาพักที่วัดของเราท่านก็ร่วมสมทบถวายเป็นมูลนิธินะท่านก็บอกว่าเป็นเงิน หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทท้วนอันนี้คหลวงพ่อก็เอาเข้าเป็นมูลนิธิมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนเดี๋ยวให้หลวงพ่อกําลังรวบรวมอยู่รวบรวมมูลนิธิก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาตั้งเป็นมูลนิธิองค์องค์หลวงตาเป็นประธานองค์หลวงตาเป็นประธานประธานมูลนิธิหลวงพ่อเนะี่ยคณะสงฆ์ญาติโยมย่อยตั้งตั้งหลวงพ่อว่าเป็นเลขา หลวงพ่อไม่เคยเป็นเลขาเนะี่ยมาคราวนี้แหละเป็นเลขาเลขามูลนิธิหลวงพ่อไม่ปฏิเสธถ้าเป็นของหลวงตาละทําตามสติกําลังความสามารถของเรามีอยู่เพื่อเทิดทูนบูชาองค์หลวงตาถึงจะโง่อย่างไงก็ถ่าว่าตั้งท่านตั้งมาแล้วรับไม่ปฏิเสธจนกว่าท่านจะปดเพราะงั้นถ้าท่านปดอ้าวปลดออกได้เพราะงั้นถ้าตั้งเขามาทําได้เพราะงั้สุด อกสุดใจแต่พร้อมการหลวงพ่อก็เป็นผู้ประสานถ้าจะให้ญาติโยมเป็นผู้ประสานให้คนนั้นคนนี้เป็นผู้ประสานตั้งกองทุนไม่ใช่ประสานได้ง่ายๆนะเพราะนั้นหลวงพ่ออ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาภาพอาตมาเองเป็นผู้ประสานประสานประสานหาเงินเหมือนกันใครเท่าไหร่ใครเท่าไหร่ถามเท่าไหร่ พอถามไปก็ออกมาก็อย่างที่ว่าเงินห้าแสนก็ไม่ยากแป๊บเดียวเี่ยก็ได้ละพ่อหลวงพ่อไม่ได้ตั้งเพื่อตัวเองใครๆก็อยากจะได้บุญทั้งนั้นพอมูลนิธิเนี่ยเมื่อตั้งเสร็จแล้วเป็นมูลนิธเนิเป็นหลักอยู่อย่างนั้นนานเท่านานเพื่อวิทยุโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนวิทยุโทรทัศน์เสียงธรรม เสียงธรรมก็กระจายอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกวันเนี่ยที่พวกเราเปิดมาเวลาไหนก็ได้ยินเสียงธรรมเสียงองค์หลงตาเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งมูลที่ที่ขึ้นมาเราก็เพื่อวิทยุโทรทัศน์การทําบุญจุดนี้คือจุดหนึ่งควรจะหวานพืชเหมืงงันกันแต่ถ้ามีเมล็ดข้าวในมือควรจะหวานลงในเนื้อนาที่ดีสถานีวิทยุโทรทัศน์เป็นเนื้อนาที่ดี ผืนหนึ่งเพางั้นควรจะหวานพืชเพราะเหตุไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าจาตรัสไว้ว่าให้ทําเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเป็นพระบาลีนะการให้ทําเป็นทานชำนะการให้ทั้งปวงถึงจะทานบริจาคเงินคําทรัพย์สมบัติที่ดินที่ดอนสร้างโบสถ์วิหารสระหลงาลาอะไรก็าตามพระพุทธเจ้าว่า สู้ให้ทําเป็นฐานไม่ได้ให้ทําเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงการให้ทำนให้ทาเป็นทานคือการชี้ช่องทางว่าควรจะเดินอย่างนี้จึงจะพ้นทุกเดินอย่างนี้จึงจะหมดกิเลสเดินอย่างนี้จึงจะไม่มาเกิดในวัฏฏะสงสารถึงเดินอย่างนี้จึงจะถึงพระนิพพานโดยเร็วอันนี้คือองค์หลวงตาและคู่บาลการท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเทศในปิทยุ ศรัทธาในวิทยุโทรทัศน์ออกอยู่ทุกวี่ทุกวันประกาศให้ศรัทธายาโยมพระสงฆ์ถ่านว่าผู้ใดสนใจปฏิบัติธรรมฟังแล้วก็ได้อัดได้ทำได้แนวทางประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจเป็นผู้นําพี่น้องประชาชนหลวงพ่อเห็นว่าน่าจะหวานพืชจุดนี้น่าจะหวานเมล็ดข้าวลงในเนื้อนาผืนนี้เพราะว่าเนื้อนาผืนนี้เป็นเนื้อนาที่ดีเป็นการชี้นําชี้แนะ ชีผู้ปฏิบัติให้ถึงทางพ้นทุกข์ถึงจะไม่พ้นทุกข์ก็เป็นชี้แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเป็นผู้มีศีลมีธรรมโลกทั้งโลกเป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วโลกทั้งโลกก็จะประสบความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าโลกทั้งหลายเนี่ยมีแต่ความเอารัดเอาเปรียบกันโลกใบนี้ก็มีแต่ความเดือดร้อนบุญวายไม่ต้องสงสัยที่พวกเราได้ฟัง รัฐ ธ, ธรรมนูญอย่างนั้นรัฐ ธ, ธรรมนูญอย่างนี้ทุกวันนี้ขนาดนี้ที่เขาเถียงหกเถียงกันความไม่ไว้ใจจุดนี้แหละคือขาดศีลธรรมเอคือขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมคือความไม่เป็นธรรมตัวเองก็กลัวกฎหมายนั้นจะเข้ามาทับถมในกลุ่มของตนกลัวไม่พอใจเอาเดินขบวนต่อต้านเอาไว้สรุปแล้วก็คือผู้ตั้งกฎหมายบางครั้งก็ตั้งเพื่อพักพวกของตนเองก็มีไม่ได้คิดเห็น ต่อส่วนรวมไม่ได้คิดต่อเห็นต่อประเทศชาติแต่พูดกับเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวมแต่พอตั้งเขาจริงๆเขาไปแล้วบางทีมันก็มันก็หนีออกจากพรรคพวกไม่ได้เพราะนั้นกฎหมายฉบับไหนก็ตามหลวงพ่อพูดได้เลยว่าถ้าหากว่าคนในชาติคนเราขาดศีลธรรมขาดทิ่ริคือความละอายแก่ใจ ขาดอตะปะคือความกลัวต่อบาปสองข้อนี้เท่านั้นเองกฎหมายจะตั้งขนาดไหนก็ตั้งไปเถอะถ้าคนไม่มีฮิริทไม่มีอตะปะในใจแล้วกฎหมายฉบับนั้นไม่มีปัญหามันมีทางหลบทางหลีกทางเลี่ยงทางไปทางมาได้ทั้งนั้นะเออหลบออกไปเพราะเหตุอะไรแต่ถ้าว่าหลบออกจากความคิดของตัวเองที่เราทําให้ถูกไหมเป็นธรรมไหมถูกต้องไหม เป็นบาปไหมที่เราคิดเนี่ยถ้าถามตนเองมาอยู่เสมอนั่นน่ะแน่แปลว่าเป็นผู้มีฮิลิมีความละอายแก่ใจถ้าคนถามตนเองอย่างนั้นเออใช่ใครไม่รู้ก็ตามแต่เรารู้ว่าการกระทําแล้วกันซิกแซกอย่างเนี้ยมันไม่ถูกเออมันไม่ถูกตามกฎแต่ว่ากฎหมายเอาความผิดกับเราไม่ได้แต่ว่าทำนะ่ะคือความถูกต้องนั้นเราทําไม่ถูกแน่ในจุดนี้นี่แหละทำเนี่ยเขาว่า ธรรมนี่นมันลึกกว่ากฎหมายกฎหมายนี่นมันยังเป็นรองเป็นรองออกจากธรรมถ้าว่าผู้ใดก็ตามมีธรรมยอยู่ในใจมีฮิริคือความละอายแก่ใจมีโอตตปะความกลัวต่อบาปทั้งสองอย่างเนี่ยนะกฎหมายไม่จําเป็นจะต้องบัญญัติอะไรยุ่มยิ้มจนเกินไปอันนี้บัญญัติตัวนี้ปิดรูนี้กระโดดออกรูนั้นอดปิดรูนั้นกระโดดออกรูนั้นพอถอดรูรเขา่ามันกระโดดออกกลับมารูเก่าอีก คนที่สุดคนที่จะแต่งกฎหมายคิดกฎหมายกฎหมาจะเป็นบ้าก่อนคนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเพราะงั้น่ะเอะมันดุ่งถึงขนาดนั้นแหละโลกทุกวนันสรุปแล้วก็คืออะไรก็คือขาดทีหลิกความละอายแก่ใจอุตลปะความกลัวต่อบาปสองอย่างเท่านี้น่ละถ้าพวกเรามีเฮลิกอุตลปะมีศีลธรรมมีจริยธรรมในจิตในใจแล้วโลกทั้งโลกไม่ได้พูดอะไรกันมากใจเขาใจเรา ถ้าเราไปทําให้แกเขาเขาเสียใจถ้าเราเขามาทําให้แกเราเราเสียใจเพราะนั้นอย่าทำให้กันนะต่างคนต่างเคารพสิทซึ่งกันและการเพียงแค่นั้น่โลกทั้งโลกพรมเย็นเป็นสุขแต่ถ้าโลกเห็นแก่ตัวเมื่อไหร่โลกทั้งโลกเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่พักเห็นแก่พวกไม่ได้เห็นแก่ประเทศชาติของตนเองไม่ได้เห็นแก่ใครนะอย่างพวกวันก็เห็นไหมนะเรื่องยุกเรื่องยาอเมริกงอเมริกา เออเอียงไปทางไหนมันกับี้ไปทางนั้นเป็นผู้ใหญ่ถ้าตามไม่จริงทุกคนถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็รู้จักคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมองมองดูให้ทั่วถึงมีความเดือดร้อนอะไรทำไมมีเมตตาต่อกันโลกทั้งโลกเนี่อเเหมือนกับมีน้ำเชื่อมคนมีเมตตาต่อกันเหมือนกับมีน้ำเชื่อมต่อกันมีน้ำใจต่อกันโลกทั้งโล ก, กสงบพรมเย็นเป็นสุขได้ ถ้าว่าขาดน้ําเชื่อมเมื่อไหรโลกทั้งโลกเนี่ยครับไปคนณธทิศทางเหมือนกับเขารอดช่องของเราเน่ะนะถ้าไม่มีน้ําเชื่อมเข้าไปแล้วเป็นยังไงกินกันอย่างนั้นขยะขยะอย่างนั้น่ะออมันไม่อร่อยว่าะงั้นถ้ามีน้ําเชื่อมเข้าไปแล้วกันนะรสกลมกล่อมอันนี้ก็เหมือนกันโลกทั้งโลกทางว่ามีน้ําใจต่อกันมีคุณธรรมต่อกันมีเมตตาต่อกัน มีคุณธรรมมีศีลธรรมต่อกันโลกทั้งโลกนจะสงบพ้นเย็นเป็นถูกได้นะแนหลวงพ่อพูดไปเสียยืดยาวแต่ตามไม่จริงจะตูกปัจจัยองค์หลวงตาองค์หลวงตาก็สงเคาะโลกช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยที่ไหนต่อที่ไหนถ้าพวกเราเข้าไปใกล้นะพวกเราจะรู้ว่าหลวงตาช่วยที่ไหนแต่เดี๋ยวนี้ก็นู่นอำเภอขาม่วงจังหวัดกาลสินแปดล้านสร้างอาคาร ที่วการอำเภอให้แก่เขาถ้าเราเข้าไปใกลนะ้น่ะรู้ใช้พงษ์ใช้ภูมิมที่ไหนตัวที่ไหนที่หลวงตาสงเคราะห์โลกหลวงตาได้เงินจากไหนนะก็ได้เงินจากลูกศิษย์ลูกหาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานเหลนอย่างพวกเราเนหะ็นว่าหลวงตาสงเคราะห์โลกเป็นผู้มิ้เมตตาเป็นผู้มีน้ำใจเพื่อให้หลวงตาได้สงเคราะห์โลกไอ้พวกเราสงเคราะห์กันอีกส่วนหนึ่งแต่องค์หลวงตาเนี่ยเป็นจุดใหญ่ อันนี้ก็คือการสงเคราะห์สรุปแล้วก็คือไล่เลียงลงมาโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยคุณธรรมด้วยศีลธรรมด้วยจริยธรรมด้วยน้ําใจด้วยเมตตาด้วยมีหิริและอดตะปะอยู่ในใจโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขได้ท่านออกจากนี้ไปไม่มีทางเอากฎหมายกดฉบับไหนออกมาก็เถอบังคับก็เถอถ้าคนไม่มีหิริอดตะปะแล้วบังคับไม่อยู่เพราะงั้นเด้ อารับพรทีนีอนุมทนาให้พน